ังสมัยภะควาสาวัทยังวิหารติเทตวันเนอนาถ บ, บุนทีก่กัสสะอารามิปะรักโขอายสเมคิริมันโถอาภาทิโถโหตีติ าแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณอาจารย์เจ้าหากกำหนดไว้ว่าเทริเมนนทสูตอ้างเนื้อความว่าครั้งประทมสังคยนาพระมหาสังคาหกเทระเจ้าทั้งหลายห้าร้อยองค์ยอนโอกาสไว้ให้พระอนุนองค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอนุนองค์เดียวกำลังเจริญสมถะวิปัสนาอยู่ ยังไม่ได้สำเร็จพระอระหันต์ครั้นพระอานนทเทระเจ้าได้สาเร็จพระอระหันต์แล้ว<า>ก็เข้าจตุตถฌานเอาปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะถามกลางสงให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหันตคนที่ถ้ำสัตบันนรณัูหาปฏิญาณตนในอเสขาภูมิด้วยประการละชนีแล้วพระมาหาสังคาหกเทระเจ้าทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอ น, นุ์ขึ้นนั่งเนื้อธรร ม, มาแสดงพระสุตันตปิฎกยกเคริมนนทสูตนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไวอย่างนี้พระมหากัสสปะเทรจาจ้าจึงถามพระอนน์ว่าดูก่อนอา น, นพนทสูตอันชื่อว่าเครือมนุนทสูตนั้น พระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตระเทศนาสนานที่ไหนปรารบอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตระเทศศสนามีวิถีฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอานนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในการบัดนี้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 พันจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิรีมนลแจ้งทุกประการเมื่อพระคิรีมนลแจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนา<อ>ก็จะหายจากสตีระร่างกายแห่งพระคิรีมนนสิน้นเสร็จหาเศษบ่มีได้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 เมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบลีกออกหนีจึงจะพ้นความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าไปอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่ได้พยายามที่จะลีกหนีจะพ้นจากความร้อนความไหมอย่างไรได้ข้ออุปมานี้แันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ได้ละเสียก็มิได้พ้นจากโทษ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 มีแต่ตั้งหน้าปราถนาเอาเท่านั้นก็จะหลงขึ้นไปในอารมุ ป, ปรพม์ชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไ ป, นานไปการทำบุญกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นทำเพื่อระงรับดับกิเลสอย่างเดียวอยากเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศล น, นั้น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 บุคคลผู้ใดเข้าใจเสว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าก็จกรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลง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 มีลักษณะอาการฉันใ ด, ดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมามากเท่าใดเท่าใดาใก็ตามก็ไม่อาจที่จะถึงได้เลยถ้าปรารถนาจะถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เหมือนดังแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทาได้ด้วยง่าย